เจ้าชื่อปาลกะเกิดในตระกูลพราหมณ์ในหมู่บ้านมาแล้วะคามนี่เองแล้วยังไงล่ะข้าพระเจ้ามีบิดามารดาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแต่เขาเหล่านั้นไม่มีความหมายใดๆสําหรับข้าพระเจ้าเหมือนกับว่าข้าพระเจ้านี้อยู่ตัวคนเดียวในโลกว้าเวเปล่าเปลียวแม้แะ่บุตรปัญญาของข้าพระเจ้าเองก็ไม่ให้ข้าพเจ้าเข้าบ้านทุกคน เห็นข้าพเจ้าเป็นเสนียดใจจังไรพบข้าพเจ้าจะต้องปิดตาทน่มน้ำลายแสดงความมันเกียด์เยียดหยามขอทัานโปรดเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดมันเรื่องอะไรละ่ะจึงได้เป็นอย่างนี้ลองเล่าเรื่องให้อัตมาฟังสิบางทีอัตมาพอจะช่วยได้บ้างร่วมมีว่าเมื่อประมาณหนึ่งเดือนมาแล้วข้าพเจ้ากับพราหงหนุ่มอีกสิบคนได้เดินทางไปค้าขายทางแคว้นอวันตี ในระหว่างเดินทางวันหนึ่งเราต้องเดินผ่านทุ่งนาอันกว้างขวางสุดสายตาไม่มีหมู่บ้านคนไม่มีบ่อน้ำไม่มีอะไรทั้งสิ้นแม้เราจะมีข้าวสารอยู่ในถุงก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีหม้อหุงต้มตกเย็นวันนั้นเรามาถึงหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งริมชายทุ่งเราได้ตกลงกันว่าจะหยุดพักที่บ้านร้างแห่งนั้นเพื่อหุงหาอาหารกิน เราได้เดินสำรวจไปตามซากหักพังของหมู่บ้านเผื่อว่าจะมีพัชนะสำหรับหงต้มทิ้งอยู่บ้างเราหาไปจนทั่วก็ไม่พบอะไรจนเกือบจะเลิกล้มความพยายามอยู่แล้วทันทีเราก็ได้พบนั่นบ้านช่างพอกหนังจะหายรู้ลด้ยัไง เาเป็นบ้านข่างฟ้อหน้ำสาหัสจะต้องเกะออกเลยเครื่อนเลือดแผ่นน้ำออกเกลือนเลยจริงของสาหายแต่ว่าแต่ว่าอะตามรูปติดช่างฟ้องน้ำเปนคนจันทันใช่ส่วนมากเป็นอย่างนั้นส่วนเราอยู่ในหนั้นธรามก็เราอย่าไปตอแยแล้กวก็ทิ้งเรือนไม่อยากตอแยหรอกแต่ว่าจะให้อะไรเม่นม า, มาปาละกัน อยู่เราต่างมองกันเลือกหลักไม่รู้จะทํำยังไงกันดีเพราะตามหลักปฏิบัติในวันพระพรามของเราสมบัติใดๆก็ตามของคนจันทานเราจะแตะบ้องไม่ได้ถ้าใครขืนแตะต้องผู้นั้นจะมีมลทินติดตัวไปตลอดชาติและถ้าคนวันณะเดียวกันรู้เรื่องเขาจะได้รับโทษหนักด้วยการถูกขับออกจากวันณะพราหม์ทันทีหมายความว่า ท่านไปถูกต้องหม้อใบนั้นเข้าแล้วก็ถูกขับออกมาจากวันนะใช่ไหละ่ะเปล่าเลยท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่ได้แตะว่องอะไรเลยแต่ข้าพเจ้ากลับเป็นฝ่ายผิดและถูกขับออกจากวันนะรู้สึกว่ามันจะสลับซับซ้อนอยู่เชิญท่านเล่าต่อไปเถอะ งั้นเ อ, อย่างนี้สหายเอาอยัางไงบอกมาเลยสายทั้งหลายก็ทราบกันดีอยู่แล้วการแต่ต้องสิ่งของเครื่องใช้ของคุณกันทานเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงสําหรับเราผู้อยู่ในวันนักทานแต่ทั้งหลายก็ทราบดีแล้วเหมือนกันว่าขณะนั้เรากําลังอยูในใาที่ขับขันเรากําลังหิวโหวยจนแทบจะเป็นลมอยู่ลจะจัมีข้าวสามแต่ไม่มีหม้อจะหุงต้มบางเออเราเท้หม้อแบบนี้ข้าวที่บ้านของคนุณก็หนัง เราจะใช่หม้บไปโยมข้าวกินกันแต่นี่เป็นหอ้เมื่ อ, อคนกันฐานนะเรามีความจาเป็นถ้าคนอื่นรู้ละ่ะรู้ว่าแค่สิบคนนี้เท่านั้นพี่ได้ทุกคนเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอย่าแพร่กระจายให้ใครรู้เป็นอันขาถ้าคนอื่นรู้แน่นอนหรืเกินพวกเราต้องถูกขับออกจากวันนะเคยแจ้งเป็นนะความผิดเช่นนี้สายทั้งอาจจะว่ายังไงามาดูลายเหตุด้วยนะ พอเราจะเก็บเรื่องนี้ว้เป็ความนะครับจะไม่แพร่กระจายแค่รู้เป็นแค่เป็นจันวนทุกคนเห็นด้วยเออปาราาล่ะยังไม่เห็นพูดอะไรเลยหนักใจจริงๆทุกวันนี้นะครับการอบรมขนบธรรมเนียมพราหมณ์อย่างเคร่งขันดีดามารดาสอนศักษาความบริสุทธิ์ุดของวันพะพราหมณ์ไว้ด้วยชีวิตว่าไงล่ะปาราจ่าจะยอมร่วมมือด้วยไหมข้าพเจ้าไม่ร่วมมือด้วยหรอกปาราจาตามใจ เรื่องนี้ผู้เราจะไม่บังคับแต่ผู้เราก้าวคนจะทําตามที่อ่านปีส่วนท่านไม่ร่วมด้วยก็ไม่ว่าเพียงแต่จะหาจะให้คำมั่นสัญญาสักอย่ญญางได้ไหมคํามั่นสัญญาอะไรสหายจะไม่เพ่งพลายเรื่องนี้ไม่ใครรู้เป็นอันขาดข้าพระเจ้าให้คํามั่นสัญญาจะไม่พูดเรื่องนี้กับใครท่านสมณะในที่สุดเพื่อนของข้าพระเจ้า ก็นําเอาหม้อใบนั้นไปล้างที่บ่อน้ําขัดสีด้วยทรายใบไม้และมูลโคขัดแล้วขัดอีกล้างแล้วล้างอีกประมาณร้อยเที่ยวเห็นจะได้จนกระทั่งเชื่อแน่ว่าบริสุทธิ์สะอาดทั้งภายนอกและภายในดีแล้วเขาก็ใช้หม้อนั้นหุงข้าวกินกันอย่างอิ่มหนาสําราญและอุบาสกไม่หิวรกเลยตอนนั้นหิวสท่านผู้เจริญแต่นั่นแหละถึงแม้จะรู้สึกหิวแสนหิว แต่ก็ไม่ยอมแต่ต้องข้าวจากหม้อนนั้นแม้แต่น้อยเพื่อนผูงต่างผู้จาล้อเลียนข้าพเจ้าต่างๆนานาบ้างก็ออกปากแคบชวนในข้าพเจ้ารับทานบ้างก็เอาข้าวมาจอที่ปากข้าพเจ้าทําให้ข้าพเจ้าต้องงกไปจากบริเวณที่เขานื่งรับทานอาหารกันเขาไม่สามารถทนต่อการล้อเลียนของเพื่อนได้ทั้งไม่สามารถดูเขารับประทานจากหม้อของคนฟอกหนังอันหน้าขยะขยงนั้น ท่ที่อาตมาฟังท่านเล่าเรื่องมาเนี้รู้สึกว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ชะไหนท่านจึงเป็นผู้ถูกขับออกจากวั น, นะละล่ะนั่นนไงสิท่านสวรรค์ข้าพเจ้ากําลังจะเล่าสาเหตุให้ท่านฟังอยู่แล้วในที่สุดพวกเราทั้งหมดก็กลับถึงบ้านโดยปลอดภยัยทุกคนต่างนิ่งเงียบไม่มีใครเอ่ยถึงการกระทําอันน่าบาดสีเลยแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้า ถึงแม้จะไม่ได้ร่วมประกอบกรรมชั่วชานั้นกับเขาแต่รู้สึกเดือดร้อนกระวลกระวายใจยิ่งกว่าเขาผู้ประกอบกรรมชั่วสิเพราะข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าข้าพเจ้าได้กระทําความผิดร้ายแรงยิ่งกว่าสหายทั้งสิบคนเพราะอะไรจึงคิดเช่นนั้นเพราะข้าพเจ้าได้เห็นเขากระทํากรรมชั่วเป็นความผิดเสียหายร้ายแรงแล้วยังช่วยเขาปกปิดกรรมชั่วไว้อีก ทำให้คนทั้งสิบคนรอยนวนอยู่ได้โดยไม่มีการลงโทษถ้าจะพูดตามหลักแล้วจริงๆคนทั้งสิบนั้นได้ขาดจากความเป็นพราหมณ์แล้วเวลานี้ถึงจะไม่มีใครรู้เรื่องเขาเขาก็เป็นตัวเสนีย์จันไรไปแล้วการที่เขายังร่วมอยู่ร่วมกินกับคนวันหน้าพราหมณ์ในบ้านก็เท่ากับนำความเสนีย์จันไรมาเผยแพร่แก่ชาวบ้าน ในที่สุดวันณัพรามอันศักดิก์สิทธิ์ของหมู่บ้านก็จะเป็นเงนทิ้งไปหมดยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถูกจักได้ภายหลังข้าพเจ้าจะถูกลงโทษอย่างหนักในฐานะที่ได้ปกปิดความชั่วของคนอื่นข้าพเจ้าคิดอย่างหนักในปัญหาเหล่านี้เป็นเวลาหลายวันในที่สุด อย่างนั้นเหรอจินได้ถอนใจถูกแล้วความทุกนี้เก็บติดอั้นอยู่ในอกมานานนับตั้งแต่วันกลับจับค้าขายนั่นแหละมีอะไรบอกให้ข้าพเจ้ารู้บ้างบางทีข้าพเจ้าอาจไปช่วยพี่ท่านได้ช่วยได้แน่คือช่วยให้ระบายใจขึ้นเพราะถ้าไมระบายออกมาจะบ้านมันจะอักอยู่ในอกตายเจ้าก็รู้ใช่นหมว่าเราได้ไค้าขายกับเพื่อนร่วมเดินทางไปสิบคนด้วยกัน ขาพระเจ้ารู้และเพื่อนแต่ละคนของพี่ท่านข้าพระเจ้าก็รู้จักดีทําไมอ่ะมีเรื่องไม่ถือ ก, กันใช่ไหมไม่ใช่หรอกเราจะเล่าให้ฟังตอนที่เดินทางากลับพวกเราได้รับความลําบากในเรื่องอาหารการกินมากข้าสารมีแต่หม้อเจ้าหูตก็ไม่มีจนกระทั่งมาพบบ้านจันทานก็เลยเอาหม้อของจันทานมาหุงข้าวตายแนละ้ว พี่ท่านแต่ต้องนอจนทางพี่ท่านเป็นตัวเสียเดี๋ยวอย่ากองเอะอะโวยวายไปก่อนเราไม่ได้แตะต้องพวกเพื่อนๆแตะต้องขุงกินกันเราไม่ได้ร่วมเขาด้วยเลยท่านสมณนนะข้าพเจ้าเล่าเรื่องทั้งหมดให้พัญญาฟังพัญญาของข้าพเจ้าตกอกตกใ่แทาเปรลม เธอได้บอกข่าวนั้นแก่คนอื่นต่อไปข่าวนั้นได้แพร่สัมพันธ์ไทั่วหมู่บ้านระดุดไฟไหม้ป่าต่อจากนั้นความโกลาหลอุบัติรมันก็เกิดขึ้นทั่วหมู่บ้านมีการเรียกประชุมพราหผู้ใหญ่เพื่อสอบสวนเรื่องของเราเราทั้งสิบคนถูกเรียกตัวเรียนที่ประชุมเมื่อคนทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันแล้วพราหผู้เป็นประธานก็ให้ข้าพระเจ้าเล่าเรื่อง มั้งหมด้เป็นความจริงใช่ไหมปาลกะเป็นความจริงทำไมไม่บอกเรื่องนี้กันแต่แรกข้าก็ยังไม่แน่ใจแต่นาที่สุดก็ตัดสิงใจว่าไม่ควรจะให้ตัวเสียเบอยู่ในหมู่บ้านนี้ต่อไปจึงต้องบอกความจริงหน้านี้ว่ายัางไงเรื่องที่ปาลกะบอกมานี่เป็นความจริ ง, รงไหมไม่เป็นความจริงพวกเราไม่ทำอย่างที่ถูกกล่าวหาแล้วความจริงเป็นยังไง ความจริงก็คือว่าจ้าประการนั่นแหละเป็นคนเอาหม้อนั้นมาหุงข้าวเห็นพวกเราเก้าคนไม่ได้แตกต้องด้วยเลยไม่จริงเจ้าทั้งเก้าคนมะปัญหาคับเอาหม้อของกันทานมาหุงข้าวพวกเราเก้าคนสามารถยืนยันได้ว่าไม่ได้แตกต้องหม้อนั้นเลยเจ้านั่นแหละแตกต้องก็เห็นเห็นอยู่แล้วแต่มาถึงบ้านก็จะเกิดความเร่าร้อนเกรงจะได้รับโทษจึงกล่าวร้ายใต้สีพวกเราทั้งเก้าคนซะก่อนโดยเฉพตัวเองเพ้นผิด ท่านอาจารย์ถามทุกคนได้เลยทุกค น, นว่าใครเราไม่ได้ทำผิดอะไรไม่จริ ง, งทุกคนทำผิดโย่ไม่ต้องเสียงนักเสียงเดียวนะสูงเ่้าเสียงไม่ได้เหรอเก้าเป็นผิดตาย ไอ้ข้าพเจ้าถูกด่าถูกประนามจากพรามผู้เป็นประธานและคนวันณพราหมณ์ทุกคนในหมู่บ้านข้าพเจ้าถูกขับออกจากวันณพราหมณ์ถูกบดัญญาไล่ออกจากบ้านเป็นเวลาหลายวันแล้วข้าพเจ้าต้องไปซุกหัวนอนตามใต้รงไม้เวลาหิวก็ต้องไปขอทานกินจากเด็กเนี้ยงโคท่านผู้เจริญโปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิดน่าสมเพลนเวทนา ถึงเขาจะเป็นผู้บริสุทธิ์ก็จริงแต่ก็ควรจะได้รับโทษนี้เพราะเขาถือเคร่งง ม, มงายในสิ่งที่ไม่ควรเคร่งซ้ําำยังคิดร้ายต่อมิตรด้วยการเปิดเผยความลับของเพื่อนท่ั้งที่ให้คํามั่นสัญญาไว้แล้วโปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยท่านผู้เจริญถ้านที่ได้ฟังเรื่องราวของท่านมาแต่ต้นอัตมาก็พอจะทราบได้ว่าท่านเป็นผู้เคร่งครัดต่อระเบียบแบบแผน ขอทำเนนพราม์ไม่น้อยท่านไม่ยอมร่วมรับประทานอาหารจากหม้อของคนจันทานกับเพื่อนแม้ตัวเองจะหิวกระหายแทบตายก็ตามเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วท่านก็รู้สึกตัวว่าตัวเองมีความผิดที่ได้ช่วยปกปิดความชั่วของเพื่อนไว้ในที่สุดท่านกลละเมิดสัญญาเปิดเผยความผิดของเพื่อนจนตัวท่านเองก็ต้องถูกขับออกจากวันนะแน่นอนทีเดียวท่านสมณนะ ข้าพเจ้าต้องเคร่งคัดต่อธรรมเนียมพราหมณ์เพราะอะไรเพราะว่าวั น, นพราหมณ์เป็นวั น, นอันบริสุทธิ์สะอาดและสูงกว่าวันนธ์อื่นๆในชงผูทวีปอาตมาจะมีความรู้น้อยเกี่ยวกับเรื่องของวันนะ์จึงอยากจะถามปัญหาบางอย่างกับท่านท่านสงสัยอะไรก็ถามมาเลยท่านสมณศรความเชื่อถือว่าวั น, นพราคมเป็นวันณะอาันสูงส่งบริสุทธิ์ และประเสริฐกว่าวันนัอื่นๆนี้ใครเป็นคนบัญญัติขึ้นท่านสมณนะข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านคงไม่เคยอ่านคำพีพระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ของเราในประหุตสูกตะแห่งพระเวทมีคำกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพระพรมสร้างโลกและมนุษย์นั้นวันนครามออกมาจากปากของพระองค์กษัตริย์ออกมาจากแขนแพทย ออกมาจากท้องและสุดออกมาจากเท้าของพระองค์เพราะเหตุที่พรามออกมาจากปากอั่นเป็นอวัยวะสูงสุดจึงเป็นวรนละสูงสุดฉะนั้นวรนละทั้งสี่จึงไม่มีใครคิดบัญหยัิแบ่งตั้งขึ้นแต่มีมาแล้วพร้อมกับการสร้างโลกที่เดียวถ้าอย่างนั้นวรนละพรามจับว่าเป็นวรนละสูงเพราะออกมาจากอวัยวะของพระพรหมอย่างนั้นเลย อย่างนั้นสิท่านสมณัตเอาละอันปากมนุษย์นั้นถ้าอยู่ในอิริยาบถนั่งหรือยืนพอจะจับได้ว่าอยู่สูงกว่าส่วนอื่นแต่ถ้าคนอยู่ในอิริยาบถนอนละ่ะอุบาสกท่านพอจะบอกได้ไหยว่าปากอยู่สูงกว่าส่วนอื่นไม่ได้และท่านทราบไหมว่าในขณะที่คนทั้งสี่วันนะออกมาจากส่วนต่างๆของพระพรหมนั้นพระพรหมท่านอยู่ในอิริยาบถไหน ยืนนั่งหรือว่านอนท่านสมณะนี่ถามซอกแทกจริงๆริงอาตมาอยากรู้ท่านเจ้าจะรองได้ยังไงในมู่งพระคัมภีร์ไม่ได้บอกไว้อาตมาเข้าใจว่าการที่คนทั้งสี่วันน่าจำนวนมากออกมาจากส่วนต่างๆของพระพรหมได้นั้นแสดงว่าพระพรหมท่านจะต้องมีรูปร่างใหญ่โตมากทีเดียว ไม่อย่างนั้นคนตั้งมากมายคงอยู่ในตัวท่านและออกมาจากท่านไม่ได้แน่นอนท่านสมณะท่านต้องใหญ่โตที่สุดจึงสามารถสร้างโลกและมนุษย์ได้ตั้งแต่ท่านมีรูปร่างใหญ่โตเช่นั้นถ้าท่านอยู่ในเรียบทยืนขณะที่วันหน้าต่างๆออกมาจากตัวท่านท่านจะต้องสูงตะงานเทียมฟ้าเบอร์เป็นเช่นนี้วันหน้าพราหมณ์ที่ออกมาจากปากของท่านก็ดีวันณนกษัตริย์ ซึ่งออกมาจากแขนของท่านกด็ดีวันนาแพทย์ซึ่งออกมาจากท้องของท่านกด็ดีจะต้องพลัดตกลงมาตายหมดไม่มีเหลือหรอคงจะมีคนวันนาสตรซึ่งออกมาจากท้าของท่านเท่านั้นที่ยังหนีรอดมาได้แต่ความจริงที่ปรากฏอยู่ในโลกขณะ น, นี้คนวันนาทั้งสี่ก็ยังมีอยู่บริบูรณ์ในชมพูทวีปแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในขณะที่ให้กำเนิดแก่มนุษย์ทั้งสี่เหล่านั้น พระพรมท่านทรงเมตตาแก่มนุษย์ท่านจึงนอนราบลงกับพื้นและปล่อยคนทั้งสี่วันนะออกไปจากตัวท่านย่อเป็นเช่นนี้แล้วคนทั้งสี่เหล่านี้ก็ชื่อว่ามีกําเนิดอยู่ในระดับเดียวกันไม่มีใครสูงกว่าใครท่านจะมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรท่านสมณะนี่ท่านซอบแทกแล้วเกินข้าพเจ้าไม่ทราบกว่าความจริงแท้เป็นยังไร เพราะพระคำรีไม่ได้ออกรายละเอียดไว้แต่ว่าันตามเหตุผลตามเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นก็น่าจะเป็นอย่างที่ท่านว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็ยอมรับละสิว่าคนทุกสี่วันนั น, นั้นมีกําเนิดเสมอกันไม่มีใครสูงกว่าใครแต่พรามก็ยังสูงกว่าวันละอื่นๆอยู่นั่นเองสูงยังไงพรามได้รับเกียรติให้ออกทางปากซึ่งถือว่าเป็นอวัยวะสาคัญกว่าอื่นๆท่านรู้ได้ยังไง ว่าปากสําคัญกว่าอวัยวะอื่นๆรู้กันแล้วกันนะพระคัมภีร์บอกไว้อย่างนั้นไงเรา<อ>ข้าพเจ้ารู้ได้เมื่สามัญถึงนึกเพราะเรากินอาหารด้วยปากถ้าคนเราไม่ได้กินอาหารชีวิตก็อยู่ไม่ได้และยิ่ยงกว่านั้นเรายใช้ปากสาหรับพูดจาปราสายติดต่อกันได้ด้วยอัตมาเห็นด้วยกับท่านว่าเรากินอาหารและพูดด้วยปากแต่ถ้าอัตมาตัดแขนเขาท่านออกซะ ตัดขาของท่านออกควานทองของท่านออกท่านจะกินอาหารได้หรือไม่ท่านจะมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่บอกซิอุบาศกอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ก็เบิกปากอยู่โดยลํำพยต้องอาศัยอวัยวะอื่นๆด้วยเช่นนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอวัยวะทุกส่วนต้องอาศัยซึ่งกัน ไม่มีอะไรสำคัญกว่าอะไรมีฐานะเท่าเทียมกันหมดต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนเพื่อให้ชีวิตร่างกายทั้งหมดดำรงอยู่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้การที่ท่านบอกว่าปากสำคัญกว่าอวัยวะอื่นๆจึงเป็นการพูดที่ผิดจากความจรงิงและการถือว่าพราหม์เกิดจากปากของพรหมจึงเป็นวันนาสูงส่งก่อวันนาอื่นๆก็เป็นการถือผิดหรือท่านมีความเห็นยังไง ข้าพเาไม่มีความเห็นดูก่อนรดูบาศจากเรื่องราวที่เราได้สนทนากันมาท่านก็คงเห็นแล้วว่าคนทั้งสี่วันนะมีฐานะเสมอกันโดยกําเ น, นิดเพราะเกิดในระดับเดียวกันจากพระพรหมองค์เดียวกันและจากอวัยวะต่างๆซึ่งมีความสําคัญสําคัญพอๆกันแม้ในขณะที่ยังอยู่ในตัวพระพรหมก็อยู่ในที่เดียวกันจากการที่คนทั้งสี่เรา ร่วมอยู่ในสถานที่เดียวกันได้ก็แสดงว่าคนทั้งสี่มีฐานะเท่าเทียมกันในสายตาของพระพรหมผู้เป็นเจ้าแต่มีฐานะต่างกันพระองค์ก็คงไม่ให้ร่วมกันอยู่ในที่เดียวกันการที่คนวันนะพรามถือว่าตนสูงกว่าวันนะอื่นจึงเป็นการถือด้วยทิฏฐิมานะถือด้วยความหลงถือผิดจากจุดประสงค์ดั้งเดิมของพระผู้เป็นเจ้า ถือผิดพระประสงค์ผู้เป็นเจ้าว่าเหรอถูกแล้วแต่ว่าวันณภ า, ามออกมาจากป่าพระพรหมนะมันไม่ใช่เหตุผลเพียงพอเปรียบเสมือนคนจํานวนหนึ่งมีฐานะเท่าเทียมกันรวมกันอยู่ในห้องห้องหนึ่งต่อมาเจ้าของบ้านได้เปิดประตูห้องทั้งสี่ด้านพร้อมกันเพื่อให้คนอยู่ข้างในออกคนบางพวกออกทางประตูหน้าเพราะขณะที่ประตูเปิดตนยืนอยู่ใกล้ประตูหน้า บางพวกออกทางประตูข้างทั้งสองเพราะตนยืนอยู่ใกล้ประตูข้างบางพวกก็ออกประตูหลังเมื่อออกมาหมดแล้วพวกที่ออกมาทางประตูหน้าก็ประกาศว่าพวกตนประเสริฐกว่าพวกอื่นเพราะเหตุผลเพียงข้อเดียวคือตอนได้ออกมาทางประตูหน้าอย่างนี้ย่อมไม่เป็นการยุติธรรมเหตุผลของท่านน่าฟังอัตมายังมีอีกข้อหนึ่งอยากจะถามท่านถา ม, มาเถอะท่านผู้เจริญ สมมติว่าคนวันน้าอื่นเช่นแพทย์หรือสูตรเกิดความเบื่อหน่ายในวันณ้ของตนและเกิดความเลื่อมใสในวันณ้พราหม์อยากจะเป็นพราหมยกับเขาบ้างจึงมาขอสมัครเป็นพราหมยกับท่านอย่างนี้ท่านหรือคนในวรรณ้นนพราหม์อื่นๆจะยอมไหมยอมไม่ได้เด็ดขาด ยอมไม่ได้ล่ะปาลักะถ้ายอมบานนี้วันณ่อื่นๆก็คงไม่มีในชมพูทวีปจะมีก็แต่เพียงวันณ่พราห์วันน่าเดียวเพราะใครๆก็อยากเป็นวันน่พราห์กันทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าการเป็นคนในวันน่าใดวันน่าหนึ่งนั้นจะเป็นด้วยการสมัครใจไม่ได้เป็นด้วยวิธีกรรมใดๆไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมถูกแล้วท่านผู้เจริญและพอจะมีวิธีอื่นใดบ้างล่ะ ที่จะทำให้คนวันณ้าสตรกลายเป็นคนวันณ้พราหมณ์ได้ไม่มีวิธีใดๆเลยนอกจากวิธีเดียวเท่านั้นวิธีอะไรอุบาสกวิธีเดียวคือตายตายวิธีเดียวอย่างนั้นแหละอุบาสกก็มีวิธีเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางห <c oughs> มายความว่าการเป็นพราหมณ์นี้จะต้องเป็นมาแต่กำเนิด เป็นมาโดยสายเลือดใครเกิดในวันนั้นใดก็ต้องเป็นวันณันั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วท่านผู้เจริญความเป็นวันนภ า, ามนี้เป็นภาวะอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดมีขึ้นตั้งแต่วาระแรกที่บรรพบุรุษของเราออกมาจากปากทรพรมนั่นทีเดียวตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นมาใครๆก็ตามที่เกิดในวั น, นพราหมณ์ก็ต้องเป็นภามตามไปด้วยอุบาสก ถ้าอาตมาจะพูดว่าพระพรมผู้เป็นเจ้ามีความประสงค์จะให้วันน่าพราหมณ์เป็นพราม์ตลอดไปจะถูกหรือไม่ถูกต้องทีเดียวท่านผู้เจริญพระองค์ต้องการจะให้พราหมณ์เป็นตัวแทนของพระองค์เป็นผู้กระทํากิจของพระองค์ในโลกมนุษย์เมื่อความเป็นพราหมณ์เป็นภาวะอันศักดิ์สิทธิ์สืบเนื่องมาจากพระพรมและเป็นความประสงค์ของพระองค์ ที่จะให้พรามเป็นพรามตลอดไปเช่นนี้ก็ไม่มีสิ่งใดหรือบุคคลใดในโลกที่จะมาทำให้ท่านเปลีป่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้แม้แต่พรามผู้เป็นหัวหน้าในหมู่บ้านของท่านก็ไม่สามารถจะทำให้ท่านสูญเสียความเป็นพรามได้ถ้าใครขืนทาให้ท่านไม่เป็นพรามผู้นั้นก็ชื่อว่าฝ่าฝืนความประสงค์ของพระพรหมผู้เป็นเจ้ายิาง่งรือนะยี่อย่างที่ท่านสมณะว่า ข้าพระเจ้าลืมข้อนี้ไปเสียสมิททีเดียวใครจะมาให้ข้าพระเจ้าออกจากการเป็นพราไม่ได้แม้แต่หัวหน้าหมู่บ้านแต่ว่าแต่ว่าอะไรล่ะป้าละกะข้าพระเจ้าประพฤติฝ่าฝืนขนบธรรมเนียมพราบไปร่วมบริโภคกับคนจันทานข้าพระเจ้าจะทำยังไง เจ้าจะทำยังไงที่ร่วมบริโภคกับคนจันทานนั่นล่ะช่วยแนะนำข้าพเจ้าหน่อยเถิดท่านผู้เจริญท่านก็ยอมรับแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นครามนั้นเป็นภาวะอันศักดิ์สิทธิ์จากพระพรมโดยตรงไม่มีสิ่งใดจะเปลี่ยนแปลงได้เปรียบเสมือนทองคำเนื้อบริสุทธิ์แม้จะตกไปอยู่ในโคลนก็คงเป็นทองคาอยู่นั่นเองหาได้กลายเป็นเหล็กเป็นทองแดงไปไหม ทองคํานั้นอาจจะมัวหมองไปบ้างแต่เมื่อชําระล้างขัดสีนิดหน่อยแล้วก็จะฉายแสงสุกเปล่งตามเดิมท่านก็เหมือนกันไปร่วมอุปโภคบริโภคกับคนจันทรานความเป็นครามของท่านอาจจะมัวมองไปบ้างแต่เมื่อกระทําพิธีชําระแล้วท่านก็จะกลับเป็นพราหมณ์ผู้บริสุทธิ์ผุดพ่องตามเดิมท่านผู้เจริญเหตุผลของท่านแยกคลายเหลือเกิน ถ้าพราหมณ์ทุกคนคิดอย่างท่านเข้าใจอย่างท่านความยุ่งยากทั้งหลายคงจะไม่มีการรังเกียดเหยียดยามระหว่างวันนักก็จะไม่มีจะทำยังไงดียึงจะสามารถแก้ความเข้าใจผิดเพราะอำนาจความโง่เขลาของพราหมณ์เหล่านี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของข้าพเจ้ากรณีของท่านทาไมข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์มาสิท่านก็ทราบดีอยู่แล้ว แต่เป็นด้วยข้าพเจ้าซื่อเกินไปและความโม้เขาของข้าพเจ้าเองด้วยจึงถูกพราหม์ผู้สหายตักปลามใส่ความจนกระทั่งตายเป็นผู้ผิดไปทำยังไงข้าพเจ้ายิงจะสามารถทำให้พราหม์ผู้ใหญ่ทั้งหลายในหมู่บ้านเชื่อว่าข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์รัตมาพอจะแน่วิธีให้ได้นะจริงถ้าท่านผู้จเจริน ที่ท่านพูดมาเนี่ยเป็นความจริงใช่ไหมท่านผู้เจริญเป็นความจริงอาตมาจะแนบวิธี